ทีนี้พูดกันที่เจ็ดเรียกว่ามหาพลมหาพลก็คือพูดถึงป่าใหญ่เนี่ยนะก็เมื่อชูชกพรามพาระตวาชาโคดไปก็ได้พบกับพระอ จ, จุตตะรือศีครั้นได้พบท่านแล้วก็สนทนาปราศัยกับพระอ จ, จุตตะรือศีว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีโรคาพาดกำมังเนี่ยนะเวลาสนทนานะก็สบายดีไหมยเงี้ยนะก็เหมือนกับเรา่หวัดหายสบายดีไม่ป่วยไม่ไข้กันหรือเงนนะ พระผู้เป็นเจ้ายังมีความผาสุกและกำมังพระผู้เป็นเจ้ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังมูลพลาหารมีมากกำมังเลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานที่มีที่จะมีเนี่ยน้อยกำมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวณนประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกำมังเนี่ยนะก็คือไปพูดกะเก่งเป็นห่วงนะอยู่สุขสบายดีไม่ไ ม, ไม่เดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยนะ ตาบทก็ตอบว่ารูปเนี่ยนะรูปคืออัตมาเนี่ยไม่ค่อยมีอ า, าพาธสุขสำราญดียังอาัตาภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะหาพลาไมา้ผลไม้เนี่ยสะดวกดีและเมื่อมูลพลาหารก็มีมากอันนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะความเบียดเบียนให้ลำบากในวั น, นาประเทศที่เกลือกล่อนกลนไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมีแกอัตมาเหมนน คือพวกช้างพวกเสือพวกอะไรมากวนให้มันเดือดร้อนก็นไม่ค่อยมีรอกหมือนกน <c oughs> เมื่ออาตมาอยู่ในอาสมหลายพรรษาก็ไม่ได้รู้จักอาพาธ <c oughs> เออเนี่ยนะดีนะสุขภาพดีน่าดูเลยไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ทำใจไม่ให้ยินดีเกิดขึ้นเลยคือมีแต่ความยินดีนะเพลิดเพลินอยู่ตลอดดูก่อนมาหาพรามท่านมาดีแลว้วและมาใกล้ก็เหมือนมาใกล้เชิญเข้าไปข้างในขอท่านให้เจริญเถิดชาระล้างเท้าของท่านเสียเหนน ก็เรียกว่าถ้อยคําส่วนใหญ่จะเป็นเมตตากรถาเนี่ยนะเป็นสารานิยกรถาเป็นอุปนิสินากรถาเป็นการทักทายปราศัยเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจแก่กันและ ก, กันเนี่ยนะก็จริงๆแล้วนะคนสูงอายุสมัยโบราณโดยมากเข้าเวลาเจอกันนะเขาจะทักทายกันลักษณะเนี่ยนะถามกึง่งว่าเป็นห่วงนะแล้วก็อวยชัยให้พรมีความสุขอายุยืนนะเออก็ดูยังแข็งแรงดีนะเขาก็ให้คําสบายๆแก่กันนะ คำเป็นที่บันเทิงซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ไปถึง่็คุยกันจะเครียดเลยนะหน่าดั้มหมดแล้วกลับเหมือ น, นไม่ใช่มาดูก่อนพรามผลมะพร้าผลมาหาดผลมาสร้างและผลหมักเมาเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กๆน้อยๆผลหมักเมานี่คุณชูศรีเคยกินไหมหมักเมา่นี่ก็เหมือนกับพริกไทยนี่แหละลูกมันเหมือนพริกไทยแต่มันเปรี้ยวนะหมักเมานะ ลูกมันเท่ากับพริกไทยอ่ะแต่ว่าลูกมันเปรี้ยวๆอมหวานถ้ามันสุกจะอมหวานนิดๆเนี่ยนะเหมือนพริกไทยเลยลูกมันเนี่ยนะอ๋อปกติเลยนะหมักเมาอนนั้นผมาก็ชอบกินลูกมันเล่นๆเหมือนกันนะเปรี้ยวๆทีนี้แต่ถ้าใบมันนะหรือสีอย่างบางบางชาติเนี่ยเขกินใบหมักเมาอย่างนี้ใบนี่แล้วก็มีผลไม้ที่มีรสหวานเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ผลไม้รสหวานจัดอะไร เชิญท่านเลือกบริโภคเอาแต่ที่ดีๆเถิดดูก่อนพราหมณ์น้ําดื่มนี่ก็น้ําเย็นนํามาแต่ซอกเขาเชิญท่านดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มก็แบ่งน้ําดื่มให้กินนะนะแสดงว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องหินปูนนะบางแห่งเนี่ยเขาบางแห่งไม่ได้เนละไปดื่มน้ําในเขานี่หินปูนมากนะกินแล้วจะเป็นโรคนิว่วอันนี้สําหรับบางแห่งนะไปอยู่ป่าอยู่เขาเห็นน้าําใสๆไม่ใช่รีบไปดื่มเัินหมดเลยเดี๋ยวเป็นนิ่วตายเลยว่า ง, งั้น เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าที่ตรงนี้ไม่มีนิ้วนะก็เลยอ้าวดื่มได้สบายคือคือไอ้น้ำถ้ามันหยดจากซอกเขาบางแห่งมันจะมีหินปูนตกมาด้วยใช่ไหมนะหินหินปูนเนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นนิว้วชูชกก็กล่าวว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าให้แล้วก็เป็นอันข้าพเจ้ารับเอาไว้แล้วบรรณการอันพระคุณเจ้ากระทาแล้วทุกอย่าง ข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบพระราชโอรสและพระเจ้าสันชัยที่ถูกชาวซีพีเนี่ยขับไล่ถ้าพระคุณเจ้าทราบทางก็แจ้งแก่ข้าพเจ้าชูโชคไม่มากเรื่องนะมาบอกจุดประสงค์เลยว่าจะเนี่ยต้องการมาหาพระเวสสันดรกับลูกหลานท่านนั่นแหละเหมือนนถ้ารู้ที่อยู่ก็ช่วยบอกให้ทีเหมือนนดาบดก็ฟังแล้วตกใจเลยนะโทสะกำเริบเลยว่าแกนี่ไม่ไม่ใช่มาเพื่อจะพบพระเจ้าศรีวิราชผู้มีบุญ คือคือไม่ได้ต้องการมาจะพบธรรมดารอกชรอยแกเนี่ยปรานาำมเหสีของเขาเธอซึ่งเป็นผู้ยำเกรงราชสามีเอมาอยากได้เมียเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าชรอยเนี่ยแกอยากจะได้พระกันหาชินาไปเป็นทาสีคือเป็นทาสผู้หญิงหรือพระชาลีไปเป็นทาสผู้ชายเนี่ยแต่พรามอีกอย่างหนึ่งแกมาเพื่อจะนำพระราชเทวีพระราชกุมารกุมารีทั้งสาพระองค์ไปจากป่า ข้คสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐของพระเวสสันดรก็ย่อมไม่มีคือเอ๊จะมาทําอะไรเนี่ยของที่จะให้ทานมันก็ไม่มีนะมันก็มีแต่เลือลูกกับเมียเท่านั้นแหละถ้ามาก็มาขอลูกขอเมียเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอจจุตตาฤสีนีิกุศลไม่เจริญเลยนะอ้าวมาขอลูกขอเมียแล้วท่านจะอยู่ยังไงท่านก็อยู่คนเดียวทีนี้ เพราะฉะนั้นบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญพระเวสสันดร น, นั้นอยู่ในป่าย่อมไม่มีพวกขสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐพระองค์ท่านอยู่อย่างเข็นใจแกจะเข้าไปเฝ้าพระองค์ทําไมเนี่ยจะไปทําอะไรนะชูชกก็มุสาตามสูตรอีกเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่ครั้งที่แล้วนี่เหลอกเจตบุตรว่าไงก็บอกว่าเขาเป็นทูตมาทูลเชิญกลับงานนี้เขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกเขาเขากเขาก็มองในฐานะเขาเป็นอาจารย์ว่า ท่านผู้เจริญท่านไม่ควรจะกโกรธเคืองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามิได้มาขอทานนะนะอย่าเพิ่งกโกรธกันซิฟังกันก่อนอย่ั้นออการเห็นพระผู้ประเสริฐย่อมให้สําเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเป็นความสุขทุกขเมื่อนะการรู้จักการคบหาสมาคมกับคนดีเนี่ยแม่นทําให้มีความสุขนะอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าสีวิราชที่ถูกชาวสีพีเนี่ยขับไล่ข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบพระองค์ ถ้าพระคุณเจ้าทราบก็แจ้งให้แกข้าพเจ้าด้วยนะซึ่งอธิบายว่าข้าพเจ้าอ่ะเป็นผู้ไม่ควรที่ท่านผู้เจริญจะโกรธเคืองด้วยเหตุเพียงเท่านี้โดยว่าข้าพเจ้ามาเพื่อจะขออะไรอะไรกับพระเวสสันดรหาไม่ได้ไม่ได้มาขอนะว่งงังกันอันหนึ่งการได้เห็นพระผู้ประเสริฐทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จและการอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเหล่านั้นก็เป็นความสุข ข้าพเจ้านี้เป็นพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของพระเวสสันดรนีนะไม่ธรรมดานะครับรื้อสีด้วยกันลูกศิษย์มันเยอะใช่ไหมก็พูดในฐานะอาจารย์นะว่าข้าพเจ้าเป็นอาจารย์พระเวสสันดรนะจำเดิมแต่พระองค์เนี่ยถูกชาวซีพขับไล่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เห็นพระองค์เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบเห็นพระองค์ถ้าพระคุณเจ้ารู้จักสถานที่ประทับของพระเวสสันดรก็แจ้งแก่ข้าพเจ้านะ ค, คือพูดเหมือนกับว่าเารู้กันนะท่านก็เป็นฤาษีท่านมีลูกศิษย์เยอะอาจจะคิดถึงลูกศิษย์อ่ะนะข้าพเจ้าก็เหมือนกันก็มีลูกศิษย์คือพระเวสสันดร น, นี่แหละก็คิดถึงท่านอ่ะนะก็ไม่ได้พบปะเจอะเจอกันมานานแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันแท้อยากพบปะ พ, พูดคุยกันอะไรกันอ่ะนะอันนะี้แหมฤาษีนี่เคลิ้มเลยนะเอเอเนีเ่คิดถึงลูกศิษย์ลูกหานี่อย่างนี้ สันพระอั จ, จุตารืีพรได้ฟังคําของชูชกก็เชื่อก็เลยกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะแสดงประเทศที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ท่านวันนี้ท่านอยู่ในที่นี้ก่อนกล่าวอย่างนี้แล้วก็ให้ชูชกกินพลาผลจนอิ่มรุ่งขึ้นก็ชี้ทางที่จะเหยียดมือขวาออกก็กล่าวก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับในพรานเจตบุตรเล่าให้ฟังกันแหละแต่ว่าแม้เล่าพิสดารมากก็เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้านี่แหละ เรื่องสระน้ำเรื่องปลาเรื่องเต่าเรื่องนกเนี่ยนะเรื่องดอกไม้บานเนี่ยนะมีดอกอะไรบ้างเช่นหรือพูดถึงเรื่องผักเนี่ยนะเช่นผักทอดยอดเนี่ยนะทอดยอดเป็นยังไงชั้นแต่ยอดอย่างเงี้ยผักทอดยอดล้วคิดถึงพักบุงไหมเขาบอกว่าพูดถึงผักทอดยอดนะก็คือเล่าบรรยากาศต้นไม้ใบายญ้า ในป่านะคล้ายๆกับใครเดินทางป่าอ่ะนะเล่าจะละเอียดหมดอะ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีต้นนั้นมีต้นนี้มีผลมากผลดกผลน้อยรสหวานหอมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะตามตามตามธรรมดาคนที่อยู่ป่านะก็รู้จักแต่ต้นไม้ใบหญ้านะไม่ค่อยรู้จักคนเท่าไหร่นะไม่ใช่โอ้ไปนะั่นนะ่าจะมีตึกอย่างนั้นนะสูงอย่างนี้มีป้ายบอกทางเขาไม่มีเนี่ยในป่า ก็บรรยากาศในมหาพนนี้ของมาก็คงข้ามไปเพราะว่าเป็นเรื่องต้นไม้ใบหญ้าป่าเนี่ยมีอิรุมมีราเนี่ยนะมีนกกรทาเหล่านกค้อนหอยนกเนี่ยนกพระหิดนกคับนกคับแลนกกรทานกกระจอกนกแซงแซลอย่างงี้นะนกกระเต็นนกมักค้างเขนกกระวิกนกไก่นกเข้ามงนกเข้าแมวจะพูดถึงสามุดเจลนก็พูดถึงต้นไม้ใบหญ้าก็พูดถึงนกนะแต่ท่านรู้จักชื่อนกเยอะเหลือเกินเนี่ยนะ ยังมีนะพวกเช่นนกกระจิบอย่างนี้ก็มีนะเคยได้ยินในนกกระจอกมีนกกระจิบอีกแล้วยังมีนกออกดํานกขาวหงขาวนกคอนหอยนกระวังไพรหงแดงนกกระไนนกพระดกนกพระหินนกพิราบหงทองเนี่ยนะก็ต้นนกซะส่วนใหญ่ต้นไม้ใบหญ้านี่แหละ เพราะฉะนั้นก็เล่าตอนท้ายว่าดูก่อนพรามคนที่ไปถึงอาสมของพระเวสสันดรเนี่ยจะไม่ได้ความหิวหรือความกระหายน้าดื่มหรือความไม่พอใจในอาสมนั้นเลยเพราพูดถึงบรรยากาศนี่น่าอยู่มากเชูชกผู้เป็นพรหมพันเนี่ยนะเขาเรียกว่าเผาพันของพรหมอ่ะนะเขาระวเขาเป็นคาอุปโลกพวกสายพรามว่าเหมือนกับพรหมใช่ไหม พอได้ฟังคําของพระอจจุตฤศีนี้แล้วก็ทําประทับศีลฤศีมีจิตยินดีหลีกไปยังสถานที่ของพระเวสสันดรประทับอยู่เนี่ยนะก็พูดถึงอดีตชาติของภาษาลีบุตรนิดนึงก็คือฤศีใช่ไหมที่มาบําเพ็ญเนี่ยเป็นนักบวชติดกันมาห้าร้อชาติจริงๆแล้วท่านก็มีความผูกพันกับพระโพธิสัตว์มาหลายชาติด้วยกันนะี่ยภาษาพระภาษีบุตรเนี่ยนะอย่างชาติที่เป็นพระองค์เป็นพระเวสสันดร ภาษารีบุตรก็บวชเป็นฤาษีเนี่ยนะก็ยังมีชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายชาติเป็นฤาษีศีลศีลศีลแบบฤาษีห็นไศีลแเนี่ย น, น, น, นะศีลแก็เก็บผลไม้กินเองได้อยู่แ้<ม>แต่ทีนี้ของข้องเข้านี้ถือศีล5กับศีล5แล้วก็มีอพรมจันทร์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะถืออยู่เท่านั้น น, นะเป็นหลัก ถือศีลห้าแต่ไม่ไ ม, ไม่ของทั่วไปจะเว้นการเมใช่ไหมแต่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เป็นที่ห้านะโดยมากเขาจะรักษากันแบบนะั้น